50 languages. 67 x t y s e v e n Correct. Sappharams. s a p p h a a เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนของเขาอยู่ที่ไหนนาฬิกานาฬิกาของเขา ल ส क ยนากาขาเนาฬิกานาฬิกาของเขาเสียอกขนาฬิกาขนอยนาอง หนังสือเดินทาง p a s s o r t เขาทาหนังสือเดินทางของเขาหาย iska p a s t gum ho gaya i แล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหน k a passport kaha h a พวกเขาของพวกเขา u ูุนกา เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบบัจเจอืดเแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วเาลมกเขล่อมวาล่ออเามแต่อ่ขพเข่อแม่ของพวกเขามาแล้วต่อ่พเาล่อแม่ของพวกเขามาแล้วอวกเาล้วอเาว่าล่ออเขวองาอเาพของก่ออากา การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิวเลอร์อาบกสัฟเฟอร์แค่ซาระฮมอรเลอร์พันรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิวเลอร์อาบีวีก้าห็นมิสอูเลอร์คุณของคุณอาบอาบก การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธอาปกาสัฟรแค่สรา้ามิสเตอร์ชมิทสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธมิสซิชมิทอาปกีชอวร์ก้าหฮ